เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมวสนาวันฟังธรรม เป็นวันที่สาธุชนพุทธบาลสัต์ได้มาวัดเพื่อมารับสิทธิอันชอบที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสิทธิอันชอบนี้ก็คือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หุกพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะชี้บอกทางให้ไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้และไปสู่ความสุขที่เป็น มลโมสุขปรลมังสุขขังได้มีแต่พระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนําพาสันโลกไปได้แล้วก็ผู้ที่จะสามารถดําเนินไปได้ก็ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถ้าเป็นเดราาัจฉานก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ไปจนถึงขั้นสูงสุดได้การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นถือเป็นโชคอันมหาศาลเพราะว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเนื่องจากการปรากฏของพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งก็ใช้เวลาอันยาวนานมากเป็นกับ และการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะจะต้องมีคุณสมบัติของมนุษย์ถึงจะกลับมาเกิดได้คือจะต้องมีศีลห้าที่บริบูรณ์ถ้าไม่มีศีลก็จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายก่อนจนกว่าบาปกรรมนั้นจะหมดไป ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชคอันมหาศาลของพวกเราเลยทีเดียวเพราะเป็นโอกาสทอง ที่เราจะสามารถปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะเจริญให้มากในเบื้องต้นก็คือศรัทธาขอให้เราเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางพาเราไปสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาอบรมสั่งสอนให้แก่พวกเราแต่เราก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัดไว้ชอบแล้วที่พระองค์ได้ทรงตรัดไว้ว่า จะเป็นศาสดาแทนพระ อ, องค์ต่อไปพวกเราจึงไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าเราเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและผู้ที่จะนําคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนพวกเราก็ยังมีอยู่ก็คือพระ อ, อริยสงฆ์ทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านก็สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้จะไม่ได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็พอเพียงต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียว่าตายเกิดหน้าที่ของเราในเริ่มต้นนี้ เราก็ต้องเชื่อว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องเชื่อว่าชีวิตของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยสองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากดินน้ำลมไฟและจะต้องสลายตัวกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป เวลาที่ตายไปส่วนจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจเป็นธาตรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้สึกนึกคิดเป็นผู้ที่ไม่มีวันตายแต่เป็นผู้ที่จะต้องรับทุกข์เพราะยังต้องไปเกิดใหม่ตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบทั้งหลายถ้าไม่อยากที่จะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องไม่กลับมาเกิดและจะกลับจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมคำสอน ตามพระอริยสงสาวกนี่คือความเชื่อที่เราควรที่จะปลูกฝังเอาไว้ให้มีอยู่ในใจเราเสมอเพื่อเราจะได้มีวิริยะคือความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่จะเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายมาเป็นแบบฉบับเป็นเยี่ยงอย่าง ท่านเหล่านั้นปฏิบัติอย่างไรเราก็จะพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติอย่างนั้นเช่นท่านสละความสุขทางโลกทั้งหลายไปหมดแล้วก็ออกปฏิบัติธรรมไปแสวงหาสถานที่สงบสงัดวิเวกในป่าในเขารักษาศีลและเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา เพราะนั่นเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรท่านเหล่านั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาแล้วได้พิสูจน์มาให้เราเห็นแล้วว่ามนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายนี้มีความสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนอยู่ที่ว่าหนึ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อสอง อยู่ที่ว่าจะขยันหรือไม่ขยันถ้าไม่เชื่อหรือไม่ขยันก็จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สิ่งที่เป็นอุปสรรคจึงไม่ได้อยู่ที่เพศหรืออยู่ที่วัยไม่ได้ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอายุก็ไม่สำคัญจะเป็นคนผู้ใหญ่เป็นเด็ก หรือเป็นคนผู้ส SO e. ูงอายุก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงมรรคนิพพานได้เพราะว่ามีผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานมาแล้วนั้นมีทุกเพศทุกวัยมีทุกอายุมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนชรามีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งขารวก มีทั้งนักปวช ด, ดังนั้นเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสถานภาพต่างๆจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกาั้นมรรคผลนิพพานแต่อุปสรรคที่จะขวางกาั้นมรรคผลนิพพานก็คือความศรัทธาความที่ไม่มีศรัทธาและความเกียจคร้านที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆการฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะก็ควรจะศึกษาจากแหล่งที่มีที่มาที่ไปเช่นถ้าจะอ่านหนังสือ ก็ขอให้ได้อ่านหนังสือที่ได้คาดออกมาจากพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นมีที่มาที่ไปเป็นเป็นการจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมอาชีพอยู่มีผู้ได้จดจำและถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้หนังสือต่างๆ ถ้ามีการอ้างอิงพระไตรปิฎกเป็นที่มาก็จะไม่ไม่ผิดทางถ้าอ่านหังสือที่ไม่มีที่มาที่ไปก็อาจจะหลงทางได้เพราะไม่ทราบว่าผู้ที่เขียนผู้ที่แสดงนั้นเอาหลักฐานมาจากที่ใดอีกอีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะ ศึกษาได้ก็คือหนังสือของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายของพระอริยบุคคลทั้งหลายหรือการฟังเทศฟังธรรมจากบุคคลเหล่านั้นเพราะบุคคลเหล่านั้นได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วรู้รู้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นการแสดงธรรมของท่าน จึงจะไม่ผิดพลาดจะเป็นไปตามความจริงสามารถที่จะยึดเอามาเป็นแนวทางของการปฏิบัติได้ดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะเราควรที่จะศึกษาจากแหล่งที่ที่มีมีหลักฐานยืนยันที่เราสามารถที่จะ ยึดเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้เมื่อเราได้ศึกษาแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติการศึกษาการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงต่อการปลูกฝังศรัทธาไม่ให้เสื่อมคลายเพราะว่าเป็นเหมือนลักษณะสีปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น การได้ยินได้ฟังธทมได้ศึกษาได้อ่านหนังสือเป็นเหมือนกับได้ยินคนเขาเล่าให้เราฟังถึงสถานที่หนึ่งที่เขาได้ไปมาว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เรายังไม่ได้เห็นกับตาของเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่และเวลาที่เราฟังเขาพูดเราก็อาจจะวาดภาพไปภายในใจของเรา ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาที่เราไปถึงสถานที่ที่เขาว่านั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นดังที่เราวาดไว้ในใจก็ได้เช่นสถานที่ต่างๆในต่างประเทศที่เรายังไม่เคยไปแต่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็นึกภาพไปต่างๆนานาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอไปถึงสถานที่นั้นแล้ว มักจะไม่ตรงกับที่เรานึกภาพเอาไว้เสมออาจจะมีบ้างเป็นบางส่วนแต่ไม่ครบทุกส่วนฉันใดการศึกษาเพื่อการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันการศึกษาอย่างเดียวนี้ยังไม่พอยังไม่สามารถทำให้มีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนที่ไม่มีวันเสือ่อม ศรัทธาที่จะมีที่ไม่มีวันเสือ่อมที่ไม่สัน่นคลอนนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจนเห็นผลของการปฏิบัติคือบรรลุขั้นมรรคผลนผิพพานขั้นต่างๆนั่นต้นแต่ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันผู้ใดที่ได้บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันแล้วจะไม่มีความสงสัย ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปจะเชื่ออย่างเต็มที่เลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงพระธรรมคาสอนเป็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงผู้ใดที่ได้บรรลุถึงธรรมขั้นนี้แล้วจะไม่มีวันเสื่อมศรัทธาจากพระพุทธศาสนาอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะตายไปเมื่อกลับมาเกิดใหม่ ก็จะยังมีศรัทธาอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอไม่ว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็ตามแต่ในใจของพระโสดาวันนี้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอและท่านก็สามารถปฏิบัต ตามพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไปจนบรรลุถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ใดมาเป็นอาจารย์สั่งสอนเพราะท่านมีอาจารย์อยู่ภายในใจของท่านแล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ปรากฏขึ้นภายใน ใ, นใจนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตคำว่าตถาคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นคือผู้เห็นธรรมและผู้ที่เห็นธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ถ้าผู้ใดน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างแบแบฉบบับของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วก็จะได้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วเมื่อบรรลุแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และจะไม่มีวันเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปและจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางไปสู่ความดับทุกข์จะไม่เชื่ออย่างอื่นเช่จนจะไม่เชื่อหมอดูจะไม่เชื่อศาสนาอื่นจะไม่เชื่อใครทั้งนั้นถ้าพูดหรือสอนที่ไม่ตรงกับคำสอน ขอพระพุทธเจา้าเพราะว่าเป็นคําสอนที่สวากขาโตัวพระกวตาธรรโมนั่นเองเป็นคําสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความทุกข์ของสัตว์โลกนี้เกิดจากความอยากต่างๆในภายในใจและการจะดับทุกข์ก็จะต้องดับความอยากนี้เท่านั้นและวิธีที่จะดับ ความทุกข์ก็คือการทําความดีการไม่ทําบาปและการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิคือชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจเท่านั้นนี่คือความจริงที่ตายตัวไม่ว่าจะวันเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีกี่กับปีก็ตาม ไม่ว่าจะไปปรากฏไปเกิดอยู่ในภพไหนภูมิไหนโลกไหนจักรวาลไหนก็ตามความจริงอันนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเป็นความจริงที่ติดอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายที่มีความทุกข์ใจกันก็ทกุก็ทุกเพราะความอยากต่างๆและถ้าอยากจะไม่มีความทุก ก็จะต้องละความอยากต่างๆให้ได้อย่าไปเสียดายความอยากอย่าไปคิดว่าเมื่อไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความสุขอันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นชอบเป็นความเห็นเห็นโกงจักเป็นดอกบัวนั่นเองเพราะว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจทั้งหลายถ้าไม่เชื่อลองสังเกตดูวันไหนไม่สบายลองถามตัวเองดูว่า วันนี้เราไม่สบายใจด้วยเหตุอะไรเราก็ถามไปเลยว่าพราะเราอยากได้อะไรหรืออยากให้เป็นอะไรหรืออยากมีอะไรทั้งนั้นหรือไม่อยากให้มีอยากไม่ให้เป็นก็ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะไม่สบายใจตามไปด้วยถ้าเราถามตัวเราเองดูเราก็จะรู้ว่าพราะเราไม่อยากไม่สบายนั่นเองเราอยากให้หายจากความไม่สบาย แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เราไม่สบายก็ปล่อยให้มันไม่สบายไปเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเราไม่ต้องไปอยากให้เขาหายเดี๋ยวถึงเวลาเขาหายเองตอนนี้อยากให้หายมันก็ไม่หายอยู่ดีแต่มีแต่กลับจะสร้างความไม่สบายใจให้มีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยใช่เหตุถ้าเรายอมรับว่าวันนี้ไม่สบายก็อยู่บ้างนอนไป กินยาไปพักผ่อนไปเดี๋ยวไม่นานมันก็หายเองอย่างนี้เราก็จะไม่สบายเพียงทางร่างกายแต่เราจะไม่มีความไม่สบายทางใจเลยนี่คือเรื่องของความไม่สบายใจของเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราเช่นเรารักใครเราชอบใครแต่พอเราได้ข่าวว่าเขาอยากจะจากเราไป เขาจะทิ้งเราไปเราก็จะเสียใจมีความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะอะไรก็เพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปนั่นเองแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับเราเขาไม่ยอมอยู่กับเราเราจะไปทุกข์ใจให้ปล่าประโยชน์ทำไมสู้ทำใจปล่อยให้เขาไปดีกว่าเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไม่อยู่เขาอยากจะไปก็ปล่อยให้เขาไป ถ้าเราลักความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการไปของเขาหรือการอยู่ของเขาบางทีเขาอยู่แต่เราอยากให้เขาไปอย่างนี้ก็เป็นความไม่สบายใจขึ้นมาอีกแบบหนึ่งดังนั้นเราต้องพยายามตัดความอยากต่างๆไว้ให้หมดไปจากใจให้ได้ด้วยการทําใจให้เป็นกลางที่เรียกว่าเป็นอุบเบกขา การจะทำใจให้เป็นกลางได้ก็จะต้องฝึกทำสมาธิทำจิตใจให้รวมหลงให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆเวลาจิตระ ง, งับความคิดปรุงแต่งได้จิตจะรวมตัวกันเข้าไปสู่ความสงบและเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะเป็นอุเบกขาและจิตจะมีความสุขมากมีความอิ่มมีความพอจะทำให้ไม่ คิดอยากได้อะไรความสุขในใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าเรามีความสุขที่ได้จากสนาีิแล้วเราจะปล่อยวางความสุขอย่างอื่นได้เช่นความสุขจากบุคคลที่เรารักที่เราชอบได้เรายินดีพร้อมที่จะให้เขาไปได้เพราะเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้มากกว่า การที่มีเขาอยู่กับเราเพราะการที่มีเขาอยู่กับเราแล้วถ้าเราไปมีความห่วงใยมีความรักมีความหวงแหนมันก็จะมาทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทําลายความสุขใจที่เราได้จากการทําใจให้สงบดังนั้นขอให้เราพยายามทำใจของเราให้สงบให้ได้เถิด พยายามฝึกทำสมาธิกันให้ได้เพื่อเมื่อเพราะว่าเมื่อเราได้ได้สมาธิได้ความสงบแล้วใจของเราจะไม่หิวจะไม่อยากกับสิ่งต่างๆใครจะอยู่ใครจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเรามีความสุขในตัวของเราแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบในใจของเรา เราจะต้องพึ่งความความสุขจากสิ่งภายนอกเราจะต้องพึ่งความสุขจากคนนั้นคนนี้ต้องมีคนนั้นคนนี้อยู่กับเราต้องมีคนนั้นคนนี้ดีกับเราทำอะไรต่างๆให้เราพอ อ, อกพอใจแต่ถ้าวันใดเขาไม่ทำตามที่เราอยากได้วันนั้นเราก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจ นี่คือโทษของการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจของเราเป็นความหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์ทั้งหลายนั่นเป็นความสุขเห็นว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขกันแต่ไม่เคยพิจารณาดูเลยว่าเป็นความสุขจริงหรือเป็นความสุขปลอม ถ้าเป็นความสุขก็สุขเพียงเดียวเดียวสุขตอนที่ได้เสพได้สัมผัสและพอผ่านไปก็จะเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความหิวเหลือแต่ความอยากเหลือแต่ความว้าเหวเหลือแต่ความเศร้าเศร้าเศร้าสรอยเหงาเหงาเนี่นี่คือความจริงที่พวกเราทุกคนพบกันอยู่ทุกวัน เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดกันไม่ยอมพิจารณากันเวลาที่เรามีความไม่สบายใจเราก็พยายามหาสิ่งต่างๆมามาลบล้ า, ทางทันทีแต่สิ่งต่างๆนี้ไม่สามารถลบล้างความไม่สบายใจของเราได้เพียงแต่อาจจะทำให้มันลืมไปจากใจเราชั่วคราวจนเวลาเราไม่สบายใจเราก็ออกไปเที่ยว ไปดูหนังไปทำอะไรพอเราไปทำสิ่งเหล่านั้นเราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมาเราก็ต้องมาเจอเรื่องนั้นอีก mm hmm. เช่นถ้าเรามีโรคที่รักษาไม่หายอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าเราจะทำอย่างไรเ ร, ง เ, เราก็จะต้องเจอโรคกลับมาเราก็จะต้องเจอโรคนี้เสมอ เราออกไปเที่ยวเราไปทาอะไรต่างๆไปเราก็ลืมโลกนี้ไปชั่วคราวพอเรากลับมาบ้านเราก็มาเจอโรคนี้เพราะโรคนี้มันอยู่กับร่างกายของเราและมันไม่มีวิธีที่จะทำให้มันหายได้มีแต่จะทำให้ร่างกายนี้จะต้องตายไปในที่สุดถ้าเรายังมีความอยากให้หายจากโรคนี้ หรือยังมีความอยากไม่ไม่ตายอยู่ในใจของเราเราก็จะผลิตความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรานำเอาวิธีที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติก็คือทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขให้เป็นกลางแล้วก็สอนใจให้ยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เราอยู่ในโลกของความสุขและความทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งเจ็บมีทั้งตายมีทั้งพบกันและมีทั้งการจากกันเราต้องยอมรับกับทุกสภาพที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราทั้งๆที่ใจของเรานี้ ไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆที่เราไปทุกข์ด้วยเลยเวลาแมเราใจเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้ถ้าเราจาเป็นจะต้องอยู่หรือถ้าเรารู้จักวิธีทาใจให้สงบไม่ให้มีความอยากเราจะมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กับคนหลายๆคนอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายหลายร้อยเท่าด้วยกันแต่นี่เป็นความจริงที่เราไม่รู้กัน เราไม่เคยสัมผัสกันนั่นเองดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าการทำใจของเราให้สงบนี่แหลเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้หยุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปดังนั้นเราจึงต้องปฏิบตัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้เราปฏิบัติกันเพราะการทําใจให้สงบนี้เป็นขั้นตอนที่ยากก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นได้เราต้องทําขั้นที่สองและขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งก็คือให้เราทําบุญให้เราทําความดีให้เรามีความเมตตาโกโราุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมี ช่วยเหลือผู้อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพราะเมื่อเราทําความดีได้แล้วเราก็จะไม่อยากจะทําบาปก็จะทําให้เรานั้นละการกระทําบาตได้ง่ายถ้าเรายังทําดีไม่ได้เรายังให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ได้เราจะทําละการกระทําบาตได้ายากเพราะว่า เรามักอยากจะทำทาแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและการกระทำนั้นก็มักจะต้องไปทำบาปทำกรรมเป็นไปเดือดไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราจึงต้องทำความดีก่อนต้องช่วยเหลือผู้อื่นต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นเมื่อเราทำดีให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะไม่อยากจะทำร้ายผู้อื่นจะไม่อยากจะทำบาปเมื่อเราไม่ทำบา ใจของเราก็จะเย็นจะสงบพอที่จะทำให้เรานั่งสมาธิได้ทำจิตใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งไดน้นี่คือขั้นตอนขั้นตอนนี้หนึ่งคือต้องทำความดีอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทำความดีด้วยการทำบุญให้ทานเป็นต้นขั้นที่สองก็คือเราก็ต้องละการกระทาบาปทั้งปวง ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปะเวณีไม่พูดปดไม่เสกโชรายาเมาเมื่อเราทำได้แล้วขั้นต่อไปเราก็มาทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิการจะการที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติคอยดึงใจเอาไว้สตินี้เป็นเหมือนเชือกที่เราจะดึงใจเอาไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าไม่มีสติ นั่งสมาธิไปก็ใจก็จะไม่สงบเพราะนั่งไปแล้วก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้ามีความคิดอยู่ก็จะไม่มีความไม่มีความสงบตามมาการที่จะสงบได้นี้จะต้องไม่คิดเช่นถ้าจะดูลมก็ให้ดูลมเฉยๆให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกให้รู้เพียงเท่านั้นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมลมไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าสามารถรู้อยู่กับการหายใจเข้าออกได้แล้วอีกไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ พ, พอสงบแล้วก็จะมีความสบายมีความเบา อ, อกเบาใจไม่ต้องควบคุมบังคับใจเพราะตอนนั้นใจจะไม่ลอยไปไหนอีกต่อไปแล้วก็จะมีความเป็นกลางเป็นอุเบกขาจะไม่มีความรักความชางความกลัวความหลงแต่เป็น ความสงบที่ชั่วคราวเท่านั้นพอออกจากความสงบนี้มาแล้วไม่นานเดี๋ยวความรักความชังก็จะกลับคืนมาอีกตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เราอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปอยากกับอะไรทั้งนั้นเพราะความอยากเป็นความทุกข์สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้เรายอมรับ ก, กับสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น มีคนเข้าชมเราก็อย่าไปชอบอย่าไปดีใจมีคนเข้าด่าเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเสียใจให้เราถือว่าเขาเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นสัพเพธรมมะอนัตตาเป็นสิ่งที่และไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราไม่สามารถไปสั่งให้เขาชมเราได้สรรเสริญเราได้ เราไม่สามารถไปห้ามไม่ให้เขาด่าเราได้เราไม่สามารถไปห้ามไม่ให้เขาเกลียดเราได้แต่เราสามารถห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเขาได้ด้วยการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นยอมรับการสรรเสริญยอมรับการดินทายอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเช่นยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วย ยอมรับความตายยอมรับการพัดพากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆถ้าเราทําใจได้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่ทุกข์เลยใจของเราจะมีความสุขท่ามกลารการพัดพากจากกันท่ามกลางความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายท่ามกลางความขรลาหานนินทาความโกรธความเกลียด ของบุคคลต่างๆจะไม่ทำให้ใจของเราเดือดร้อนเลยใจของเราจะยิ้มได้อย่างสบายนี่คือความหุกพ้นทางจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันด้วยการทำความดีด้วยการละบาปและด้วยการชาระใจให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญา ขอให้เราพยายามทำเถิดแล้วพอเราเห็นผลแล้วเราจะไม่ต้องมีใครมาคอยสอนเราอีกต่อไปเพราะเราสามารถที่จะปฏิบัติไปได้ด้วยด้วยกำลังของเราเองที่เกิดที่เกิดจากการปฏิบัติของเราที่เกิดจากการมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างที่ท่านทัน้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ ขอให้พยายามทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นแล้วผลก็จะปรากฏเร็วขึ้นและมากขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอ น, นการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพษศีวัฒนตรัยและบุนกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากำเธอ